ย้อนย้ำอีกทีกระบวนธรรมะในตัวคนของมัค ก, กับกระบวนการฝึกคนของศิกขาคำถามเก่ามีว่าเหตุใดการจัดลำดับองค์ธรรมในมัค ก, กับในไรสิกขาจึงต่างกันเมื่อเป็นมัคเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิ แต่เหตุใดเมื่อมาจัดเป็นไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เป็นหมวดปัญญาไปต่อท้ายสมาธิทำให้ไตรสิกขากลายเป็นเริ่มต้นด้วยสัมมาวาจาที่เป็นหมวดศสีลแทนก่อนตอบคำถามก็ย้อนกลับไปทบทวนความเดิมเกี่ยวกับความต่อเนื่องระหว่างนิโรธกับมครคว่ามรเกิดมีขึ้น โดยฐานเป็นวิธีการที่คนนำเอากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนคือเป็นวิธีปฏิบัติของคนที่จะให้เกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติหรือการใช้วิธีการของคนเพื่อให้เกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติมักเป็นจุดเริ่มต้นของการประยุกต์ความรู้ในกฎธรรมชาติ มาสร้างเป็นวิธีปฏิบัติของคนเรียกได้ว่าเป็นขั้นต่อเชื่อมกลางระหว่างกระบวนการของธรรมชาติกับวิธีการต่างๆทั้งหลายเท่าที่คนจะยักยื้งขยายออกไปใช้ในต่างกิจต่างกรณีนับว่ามักเป็นหลักกลางที่เป็นเนื้อตัวแท้ในขั้นวิธีการของมนุษย์ต่อจากมักก็คือไตรสิกานี่เอง ที่เป็นขั้นนำเอาเนื้อหาของมัคไปจัดตั้งวางระบบทํางานโดยจัดเอาองค์ประกอบทั้ง8ไปยักเยื่อจัดรูปเป็นกระบวนวิธีปฏิบัติมีขั้นตอนต่างๆมีรายละเอียดข้อเน้นย้ำเด่นชัดแปลกๆกันไปสุดแต่วัตถุประสงค์จำเพาะของแต่ละระดับแต่ละกรณีความแตกต่างข้อนี้นําไปสู่ความแตกต่างแห่งการจัดลําดับข้อธรรมะ ระหว่างมักกับลายสิกขาในฐานะที่เป็นหลักกลางต้นแบบในขั้นวิธีการมักจึงอย่างเป็นระบบการปฏิบัติที่มุ่งในแง่เนื้อหาคือมองแต่ลำพังตัวระบบเองแจกแจงให้เห็นองค์ประกอบที่เป็นข้อย่อยของมันว่ามีอะไรบ้างตามเนื้อหาของมันเองแท้ๆเหมือนมองดูถนนหนทางแล้วแยกแยะวิเคราะห์ออกดูว่า มีส่วนประกอบอะไรบ้างในเมื่อลักษณะทั่วไปของมรรคเป็นเช่นนี้การจัดลำดับองค์ธรรมภายในมรรคจึงเป็นการจัดลำดับตามความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้นเองกล่าวคือจัดลำดับตามความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของมรรคซึ่งทำหน้าที่ของมันอยู่ภายในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม โดยในยะนี้ภายในมัคสัมมาทิฏฐิจึงเป็นข้อแรกเป็นฐานะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งถ้าขาดเสียแล้วองค์ประกอบข้ออื่นๆจะเกิดมีขึ้นไม่ได้เปรียบเหมือนในการเดินทางจะต้องรู้ว่าทางไหนที่จะไปอย่างน้อยต้องรู้ว่าจะตั้งต้นที่ไหนถ้ายัางตั้งต้นไม่ได้การเดินทางต่อๆไป ก็ยังไม่อาจมีขึ้นได้การเดินทางเป็นชันใดในการปฏิบัติธรรมก็ชันนั้นเริ่มแรกทีเดียวจะต้องมีความเห็นมีความเข้าใจหรืออย่างน้อยเชื่อถือถูกต้องตามแนวทางที่จะปฏิบัติเสียก่อนจึงจะดำริคิดการต่อไปและประพฤติปฏิบัติให้ถูกทางได้การปฏิบัติธรรม จึงต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจที่เป็นต้นทุนไว้ก่อนเมื่อสัมมาทิฏฐิเบิกช่องทางหรือตั้งต้นให้แล้วองค์มรรคข้ออื่นๆก็เกิดตามได้เป็นลำดับไปเมื่อเห็นอย่างไรเชื่ออย่างไรเข้าใจอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรก็ดำรีหรือคิดการต่างๆอย่างนั้นเมื่อคิดถูกคิดคืบหน้าไป ก็เห็นจากแจ้งเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นคิดได้อย่างไรก็พูดไปได้อย่างนั้นเมื่อคิดดีคิดชัดก็พูดดีพูดชัดคิดการได้อย่างไรแค่ไหนก็จะทำอย่างนั้นและทำได้แค่ไหนเมื่อคิดได้แล้วเอามาพูดสั่งการหรือปรึกษาหารือก็ช่วยชักนำกำหนด และเกือกูลแก่การกระทําคิดการได้แค่ไหนพูดจาและกระทําการได้แนวทางใดมีขอบเขตแค่ไหนก็ดําเนินวิธีหาเลี้ยงชีพไปแนวนั้นในขอบเขตนั้นเมื่อจะพูดจะทําการจะดําเนินวิธีเลี้ยงชีพให้สําเร็จก็ต้องใช้ความพยายามเมื่อพยายามจริงจังในเรื่องไหน ให้ได้ผลดีก็ต้องใช้สติให้มั่นสม่ำเสมอในเรื่องนั้นเมื่อสติคอยกำกับดีอยู่จิตก็แนวแนว่แนมั่นคงไปในเรื่องนั้นถ้าเริ่มด้วยความเห็นความเข้าใจเชื่อถือและทัศนคติที่ดีงามถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดดีพูดดีทำดีเป็นต้นก็ดำเนินสืบต่อไป เป็นสัมมาทั้งหมดถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็คอยเสริมองค์ประกอบเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกขั้นทุกตอนตอนที่จะเอาจริงเอาจังจะซ่อมจะเสริมตรงไหนนี่หละก็มาถึงงานของไตรสิกขาซึ่งเป็นระบบปฏิบัติที่เหมือนกับทำตามคาสั่งจากข้างนอกให้จัด ก, การที่ทาการกับเนื้อในนั้น คือเอาความรู้เข้าใจองค์ประกอบทั้งหลายของมรรคมาจัดเป็นกระบวนวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนต่างๆเพื่อใช้งานให้เป็นการพัฒนาองค์มรรคเหล่านั้นให้สำเร็จผลอย่างเป็นงานเป็นการจริงจังในเรื่องนี้ดูทัศนะของอัรถกถาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์มรรคได้ในวิพังอัตถกถาอห น, นึ่ง ข้ออุปมาเพื่อแสดงเหตุผลในการจัดองค์มรรคเข้าในหมวดต่างๆจากวิพังอัตถคถาและวิสุทธิมรรคก็อาจช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์มรรคได้ท่านกล่าวเปรียบว่าเหมือนสามสหายช่วยกันเก็บดอกจำป่าที่ยืนคนเดียวเอื้อมเก็บไม่ถึงสัมมาวายามะเหมือนสหายที่ก้มหลัง เข้ามารองคำหนุนเพื่อนให้ยืนสูงขึ้นไปจนพอสัมมาสติเหมือนเพื่อนที่เอาไหล่เข้ามาเคียงให้เหยียบยันหายงนเงยนสัมมาสมาธิเหมือนเพื่อนที่เมื่อยืนบนหลังสหายแรกยังงนเงียนอยู่เก็บดอกไม้ไม่ได้พอยันไหล่สหายที่สองก็ตั้งหลักได้มัน่นยืนแนว่วเก็บดอกไม้ตามชอบใจทากิจได้สาเร็จ สัมมาสังกัปปะเหมือนนิ้วมือที่พลิกเรียนไปมาทำให้เฮรันยิกคือสัมาทิฏฐิวินิจฉัยได้ว่าเรียนเก๋หรือเรียนดีหรือสัมมาสังกัปปะเหมือนคนที่คอยจับท่อนสูงพลิกทำให้ช่างถากคือสัมาทิฏฐิทำงานถากไม้ได้ตามต้องการ กลายสิขาเก้าจากการเกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธ์ขององค์ธรรมต่างๆตามแบบของมรรคออกมาสู่การเกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆในสังคมหรือเก้าจากการทำงานขององค์ธรรมภายในชีวิตของบุคคลออกมาสู่การจัดการจากภายนอกดังเช่นแทนที่จะเน้นในแง่ว่า เมื่อเห็นถูกต้องแล้วก็จะคิดถูกต้องและจะพูดจะทำก็พลอยดีงามถูกต้องคราวนี้กลับหันมาจับที่ด้านนอกว่าความดีความถูกต้องที่จะต้องทำต้องพูดมีอะไรบ้างจะต้องพูดต้องทำต่อใครอย่างไรในฐานะที่เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นๆกําหนดการแสดงออกภายนอกให้สะท้อนกลับเข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดความเห็นภายในจิตใจ เช่วางระเบียบกฎเกณฑ์ข้อฝึกหัดนี้ฝึกการดําเนินชีวิตและวิธีการปฏิบัติต่างๆทําให้บุคคลผู้นั้นรู้จักบังคับควบคุมตนเองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นการเริ่มจากความสัมพันธ์ทางสังคมและการอยู่กับสภาพแวดล้อมเข้าไปหาในตัวบุคคลและจุดนี้ล่ะ คือการก้าวเข้าสู่ความหมายของสิกขาที่ว่าเป็นการฝึกศึกษาพัฒนาอบรมโดยในยะนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลการฝึกหัดพัฒนาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะให้เกิดมีเพิ่มพูนขึ้น ในแนวทางที่จะทำให้แก้ปัญหาหรือดับทุกข์ได้เป็นอธิศิลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นพวกสมาธิการฝึกอบรมสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นในแนวทางแก้ปัญหาหรือให้ดับทุกข์ได้เป็นอธิจิตตสิกขา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นพวกปัญญาการฝึกปรือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั้นในแนวทางให้ดับทุกข์หรือแก้ปัญหาได้เป็นอธิปัญญาสิกขาดังนั้นไรสิกขาจึงก้าวจากความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามลำดับระหว่างองค์ธรรมด้วยการเองของมรรคออกมาสู่การฝึกคนเป็นขั้นเป็นตอน จากส่วนที่หยาบไปหาส่วนที่ละเอียดหรือจากส่วนที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเห็นง่ายจัดการง่ายไปสู่สิ่งที่ประนีตลึกซึ้งมองไม่เห็นยากที่จะควบคุมจัดการคือเริ่มต้นฝึกกายวาจาเข้าไปหาจิตใจและปัญญาพูดอีกแง่าหนึ่งว่าไตรศิขาเก้าจากระบบการทำหน้าที่สัมพันธ์กันตลอดเวลา ทุกๆขณะขององค์มรรคในตัวบุคคลออกมาสู่กระบวนการฝึกอบรมช่วงกว้างของไตรสิกขาซึ่งจัดแบ่งเป็นขั้นตอนเรียงลำดับตามบทบาทขององค์ประกอบประเภทที่ทำหน้าที่ออกหน้าเด่นชัดในขั้นตอนนั้นๆโดยเริ่มจากศีลซึ่งมุ่งฝึกหัดพัฒนาการแสดงออกทางกายวาจาที่เป็นชั้นภายนอกอยู่กับสิ่งแวดล้อมเป็นขั้นหยาบ แล้วก้าวต่อไปสู่สมาธิฝึกอบรมจิตใจที่อยู่ภายในและละเอียดกว่าเพื่อสนับสนุนการใช้และการฝึกปรือปัญญาให้ใช้งานอย่างได้ผลดีที่สุดต่อไปเป็นอันว่าไทรสิกขาเป็นระบบการฝึกอบรมที่เป็นเชิงปฏิบัติเต็มที่จัดไว้เพื่อใช้ฝึกคนในฐานะที่อยู่ในสังคมท่ามกลางสิ่งแวดล้อม หรือใช้เป็นระบบการฝึกคนของสังคมจัดแบ่งขั้นตอนเป็นช่วงกว้า ง, างและเรียงลำดับโดยถือหลักสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเด่นชัดเป็นพิเศษในช่วงนั้นๆมีข้อควรย้ำว่าไม่ว่าผู้ศึกษาจะกำลังฝึกศึกษาพัฒนาอยู่ในช่วงตอนใดของรายสิกขาจะเป็นขั้นศีลก็ตาม ขั้นสมาธิก็ตามขั้นปัญญาก็ตามการทําหน้าที่ขององค์มรรคหรือการปฏิบัติองค์มรรคทุกข้อตั้งแต่สมาธิฏฐิถึงสัมมาสมาธิย่อมดําเนิอนอยู่เรื่อยไปตลอดเวลาทุกช่วงตอนการกล่าวออกมาว่าเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาเป็นเพียงการบอกแจ้งว่าในตอนนั้นกําลังเร่งรัด ให้ระดมการฝึกอบรมองค์ประกอบหมวดนั้นประเภทนั้นให้มากเป็นพิเศษหรือว่าในตอนนั้นองค์ประกอบหมวดนั้นประเภทนั้นกำลังถูกเรียกออกมาใช้งานมีบทบาทโดดเด่นออกหน้าองค์ประกอบประเภทอื่นมองดูแง่หนึ่งเป็นเหมือนว่ามีงานสองระบบคือระบบฝึกจากข้างนอกกับระบบพัฒนาจากข้างใน ความข้อนี้จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาตามหลักกัลยาณมิตรและโยนิโสมนาสิกานที่จะกล่าวข้างหน้าทั้งสองระบบนี้กำลังทำงานประสานขาน ร, รับกันอยู่และพระพุทธศาสนาก็ยอมรับความจริงของงานทั้งสองระบบนั้นความเป็นไปเช่นนี้เป็นข้อยืนยันถึงการประสานขาน ร, รับกัน ระหว่างระบบการฝึกจากข้างนอกของไตรสิกขากับการทำหน้าที่แห่งองค์ธรรมภายในของมัคคือเมื่อประพฤติดีมีศีลใจก็มีสมาธิเมื่อใจมีสมาธิการคิดก็ได้ปัญญาพอได้ปัญญาก็กลายเป็นสมาทิฏฐิองค์แรกของมัคสมมาทิฏฐิก็ส่งทอดแก่สัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะก็นำทางแก่สัมมาวาจาสัมมารกรรมตะและสัมมาอาชีวะตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างองค์มรรคกลายเป็นการช่วยให้เกิดศีลแล้วสืบทอดต่อๆกันไปอีกพร้อมกับทําให้คุณภาพทั้งของการฝึกอบรมและทั้งการพัฒนาขององค์ธรรมทั้งหลายประนีตเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ในเรื่องนี้ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในตอนว่าด้วยสมาธิทิกับการศึกษาในบทองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาวงจรย่อยของตรายสิกขาอย่างนี้มองคร่าวๆจะเห็นเป็นเหมือนการฝึกสามส่วนที่ดำเนินควบเคียงไปด้วยกันตลอดเวลาดังตัวอย่างในคำพีวิสุทธิมรรค กล่าวถึงการฝึกเจริญอาณาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกจับสาระได้ว่าขณะที่ฝึกอยู่นั้นสังวรคือการควบคุมกิริยาอาการให้อยู่ในภาวะถนัดหรือเหมาะดีที่สุดแก่งานเป็นอธิเสลสิขาการทำจิตใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับงานคืออารมณ์ที่กำหนดเป็นอธิจิตตสิขา การใช้ปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในเวลานั้นเป็นอธิปัญญาสิกขาตรสิกขานี้เรียกว่าเป็นพระหุรธรรมีกถาคือคำสอนธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อยและมีพุทธพจน์แสดงความต่อเนื่องกันของกระบวนการฝึกอบรมที่เรียกว่าตรสิกขาดังนี้ ศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้สมาธิที่ศีลบ่มแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาที่สมาธิบ่มแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากจิตที่ปัญญาบ่มแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยสิ้นเชิงคือจากกามาสวะภวาสวะ และอวิชชาสวะความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องกันของตรายศิานี้มองเห็นได้ง่ายแม้ในชีวิตประจำวันกล่าวคือเมื่อมีความบริสุทธิ์ในทางความประพฤติเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนไม่หวาดต่อการลงโทษไม่สะดุ้งระแวงต่อการประทุษร้ายของคู่เวร ไม่หวั่นใจเสียวใจต่อเสียงตำหนิหรือความรู้สึกไม่ยอมรับของสังคมและไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจเพราะความรู้สึกเดือดร้อนรังเกียจในความผิดของตนเองจิตใจจึงจะปลอดโปรง่งสงบแน่วแน่มุ่งมันอยู่ได้กับสิ่งที่คิดคำที่พูดและการที่ทำยิ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านสงบมุ่งมันแน่วแน่เท่าใดการคิดการพินิษพิจารณา การรับรู้สิ่งต่างๆก็ยิ่งชัดเจนลั่นลิวและคล่องตัวเป็นผลดีในทางปัญญามากขึ้นเท่านั้นข้ออุปมาในเรื่องนี้เหมือนเมื่อน้นำไม่ถูกกวนคนพัดหรือขยาวสงบนิ่งผงฝุ่นต่างๆที่นอนก้นหายคุณน้ำก็ใสเมื่อน้นำใสก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจน ในการปฏิบัติธรรมชั้นสูงขึ้นไปที่ถึงขั้นจะให้เกิดญาณรู้แจ้งเห็นจริงจนกำจัดอาสวะกิเลสได้ก็ยิ่งต้องการจิตที่สงบนิ่งผ่องใสมีสมาธิแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปอีกถึงขนาดระงับการรับรู้ทางอายตนะต่างๆได้หมดเหลืออารมณ์ที่กำหนดไว้ทำการแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อกำจัดกวาดล้างตะกรนที่นอนก้นทั้งหลายไม่ให้มีโอกาสคุณอีกต่อไป